เราจะไม่พบเลยว่านักวิทยาศาสตร์คนไหนบอกว่าร่างกายเกิดมาจากวิญญาณด้วยเหตุนี้คนทั้งหลายจึงไม่เคยจะยอมเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าร่างกายของเราอากําเนิดมาจากวิญญาณของเราเองอย่าลืมว่าวิญญาณเป็นสิ่งที่มีอีกอย่างหนึ่งนอกจากร่างกาย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 โครงสร้างและคุณสมบัติต่างๆของวัตถุนั้นเกิดมาจากวิญญาณในวัตถุและวิญญาณในวัตถุยังมีอยู่ได้เสมอไม่สูญก็เนื่อกมาจากความเป็นไปในวงจรของปรมาณูนั้นมันไม่เคยหยุดนิ่งเลยความเป็นไปในวงจรของปรมาณูก็เกิดจากวิญญาณในวัตถุเป็นปัจจัยนั่นเองอันนี้ก็เป็นปัจจัย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 โครงสร้างของวัตถุก็ย่อมจะไม่เปลี่ยนแปลงและเป็นการยากมากที่สุดที่การเปลี่ยนแปลงภายนอกจะไปมีผลกระทบกระเทือนทําให้โครงสร้างของวัตถุแต่ละประมาณูมีการเปลี่ยนแปลงนอกจากจะต้องใช้พลังงานที่สูงที่เกิดจากการสลายตัวของปรมาณูเท่านั้นจึงจะมีผลกระทบกระเทือนไปถึงการเปลี่ยนแปลงภายในปรมาณู ขอให้นึกถึงหลักค리ตศาสนาที่สอนว่าแต่เดิมทีเดียวโลกนี้ไม่มีอะไรมีแต่ความว่างเปล่าแต่ในความว่างเปล่านั้นได้มีพระผู้เป็นเจ้าอยู่แล้วถ้าผู้เป็นเจ้าซึ่งมีสภาพเป็นนามธรรมอันนี้แหละที่เป็นผู้สร้างโลกและสิ่งทั้งปวงในโลกขึ้นมาซึ่งรวมทั้งมนุษย์ด้วยข้อคิดอันนี้เราควรจะรับฟังเอาไว้บ้าง และในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้ว่ามโนปุพังเข้ามาทำมามโนเศรษามโนมายาแปลว่ามโนคือวิญญาณเป็นรากฐานของสิ่งทั้งหลายวิญญาณประเสริฐกว่าสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายสําเร็จมาแต่วิญญาณและอีกบทหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้ว่าจิตเตณียติโลโก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 หรือกฎเกณฑ์ต่างๆของวัตถุนั้นก็คือวิญญาณและวิญญาณที่ว่านี้หมายถึงวิญญาณซึ่งยังไม่มีปรากฏการออกมาเป็นความรู้สึกที่จะสังเกตเห็นได้โดยอาศัยประสาทสัมผัสและวิญญาณที่ว่านี้โดยปกติแทรกซึมอยู่ในวัตถุทั้งปวงและแผ่ซ่านอยู่ทั่วสากลจักรวาล ถ้าหากผู้ใดาสามารถเอาวิญญาณสากลดังที่กล่าวมานี้มาใช้ได้ตามความต้องการและควบคุมได้เขาผู้นั้นก็จะกลายเป็นผู้วิเศษเรื่องปาฏิหาริย์ต่างๆก็จะกลายเป็นเสมือนหนึ่งของเล่นสำหรับบุคคลประเภทนี้และการที่ทางพุทธศาสนาทราบถึงเรื่องวิญญาณประเภทนี้ได้อย่างแจ่มแจ้งนั้นขอได้โปรดเข้าใจว่า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 เขาจะได้สิ่งเหล่านี้มาก็โดยวิธีก่อไฟเท่านั้นและเขารู้ดีว่าความร้อนหรือเปลวไฟนั้นเกิดมาจากเชือเ้อเพลิงฉะนั้นในเมื่อเชือเ้อเพลิงถูกไหม้หมดแล้วเขาก็คิดว่าความร้อนที่เขาได้มานั้นหมดแล้วในเชือเ้อเพลิงที่เหลืออยู่เป็นเท่าฐานนั้นไม่มีความร้อนอยู่แล้วแล้วมาใช้อีกไม่ได้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 ความเป็นจริงเขายังเอาพลังงานที่เป็นเนื้อแท้ของวัตถุคือพลังงานวิญญาณในวัตถุมาใช้ได้ไม่หมดถ้าหากเรามีความรอบรู้และความสามารถเกี่ยว ก, กับเรื่องนี้เมื่อไรเราก็จะพบว่านักวิทยาศาสตร์สามารถที่จะสร้างสิ่งมาสจัจจ์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งในด้านการศึกษาและโดยความสะดวกให้แก่มนุษย์อีกมากมาย อย่าลืมว่าสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดในโลกก็คือร่างกายมนุษย์และร่างกายมนุษย์เป็นผลที่เกิดมาจากอำนาจสร้างสรรค์ของวิญญาณแต่วิญญาณส่วนนี้เป็นสิ่งที่นักทิทยาศาสตร์ยังไม่รู้จักเพราะคนที่จะรู้จักอำนาจของวิญญาณในส่วนนี้อย่างแจ่มแจ้งจนกระทั่งเอามาใช้ได้ตามความต้องการน้น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 ก็ยังมีความหยาบความละเอียดแตกต่างกันไปอีกเช่นโอปปาติกะชั้นต่ำจะมีกายที่หยาบกว่าโอปปาติกะชั้นสูงและโอปปาติกะบางประเภทก็มีกายละเอียดมากจนกระทั่งไม่มีรูปร่างปรากฏให้เห็นชัดได้เลยไม่ว่าใครจะมีทิพยจ์จักษุสูงสักเพียงไรก็มองไม่เห็นโอปปาติกะประเภทนี้ก็คืออรูปประพรม อันหนึ่งกายทิพย์จะหยาบหรือละเอียดปราณีตเพียงใดปัจจัยสำคัญขึ้นอยู่กับสภาพของวิญญาณกล่าวคือถ้าหากวิญญาณของผู้ใดมีสมาธิสูงมีคุณธรรมสูงติดอยู่ในวัตถุน้อยกายทิพย์ที่เกิดจากวิญญาณประเภทนี้ก็จะละเอียดปราณีตกว่ากายทิพย์ที่เกิดจากวิญญาณที่มีสมาธิต่ำกว่า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 ซึ่งสามารถที่จะไปไหนมาไหนได้เหมือนกับโอปะปะติกะทั้งหลายและถ้าไปเห็นอะไรหรือได้ยินอะไรก็แปลว่าได้เห็นของจริงได้ยินของจริงไม่ใช่นึกฝันเอาเองนั้นก็เพราะในขณะนั้นจิตมีกาลังสูงมากเนื่องจากไม่ถูกรบกวนจากสิ่งภายนอกและไม่ได้ถูกแบ่งหรือถูกใช้ไปในที่อื่นๆ